เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รูปรัจกัยในวันนี้คงเป็นการนำเสนอเรื่องสมาสติสม า, ส ต, ส, มาสติในตอนที่ว่าด้วยขันธ ป, ปัพพะคือหมวดที่ว่าด้วยขันต์ต่อไปเมื่อก่อนได้พูดมาถึงเวทนาขันธ์ว่ากาตามความจริงในโครงสร้างเนี่ยมันอยู่ในลักษณะโครงสร้างอยู่กัน คือรู้จักขันแต่ละขันและการเกิดของขันการดับของขันก็มีสามประเด็นไป ม, มองหลักนี่สามประเด็นเป็นอาการของวิปัสสนากรรมฐานนะฮะแต่ว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะนำมาเสนอแบบสรุปเห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยท่านแยกออกเป็นสิบก็เป็นอาการทั้งหมดก็ห้าสิบ แสดงในการฝึกตือสติจนแหลมคมมองเห็นชัดเจนตามความจริงของขันแต่ละค้อนในช่วงต่อไปก็ทรงสอนให้พิจารณาว่าอิติสัญญาอย่างนี้คือสัญญาความจำได้หมายรู้สัญญานั้นเป็นกระบวนการของจิตตัวเขาเองเป็นเจตสิกเกิดขึ้นปรุงจิต จะเป็นเจตสิกกลางๆนะฮะคือจำดีก็ได้จำไม่ดีก็ได้จำกลางๆ ก, ก็ได้ก็แล้วแต่เขาเพราะเมื่อเรากล่าวถึงสัญญาแล้วมันก็แบ่งสัญญาออาเป็นหกตามสิ่งที่เราจำได้ไมยรู้คือจำรูปเรียกว่ารูปประสัญญา สิ่งที่เป็นเสียงเรียกว่าสัทธสัญญาสิ่งที่เป็นกลิ่นเรียกว่ารสสัญญาสิ่งที่เป็นรสแต่สิ่งที่เป็นรสเรียกว่ารสสัญญาสิ่งที่เป็นกลิ่นเรียกว่าการทัดสัญาสิ่งนี้เป็นเย็น้อนอ่อนแข็งเรียกว่าปุถะสัญญาสิ่งที่เป็นอารมณ์ซึ่งเก็บสะสมไว้ภายในใจจะดีไม่ดีกลางก็ไม่รู้เราพูดในประเด็นจําแล้วก็คือก็เรียกว่าธรรมสัญญาคือการจาได้หมายรู้ในสิ่งที่เป็นอารมณ์ ซึ่งเก็บสะสมแล้วก็นำมาปรุงคิดคิดปรุงอยู่ภายในใจทีนี้าถามสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็บางย่อมกลับไปในกระบวนการของการเรียนรู้โลกโดยประสาทสัมผัสเนี่ยมันกเริ่มต้นจากางยัตนาภายในภายนอกมากระทบกันโดยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจ ม, มูกดมกลิ่นลิ้นดิ้มรดกายถูกต้องยินดอ น, อ, อนแข็ง และใจเนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเพราใจนั้นมันก็กลายเป็นวิญญาณเปลความรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณขันธวิญญาณจิวหวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณความรู้แจ้งซึ่งอารมณ์เนี่ยนําไปสู่สัมผัสมรยาทนาภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยสามอย่างนี่นําไปสู่สัมผัสคือการกระทบก็หมายความว่า ก็ออกมาเป็นสัมผัสผลตามอายตนาภายในที่เราสัมผัสเวลาท่านเรียกเนี่ยจะขูดสัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสจิวานสัมผั ส, า ส, ผสกายสัมผัสป โ, โนสัมผัสแต่ว่าโปรดเข้าใจนะฮะว่าชื่อเนี่ยสมมติเรียกเอาโดยภาษาบาลีนะผูชนชาติอื่นก็เรียกอย่างอื่นผมนก็เรื่องของเขาแต่ว่าโดยสภาวะแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ยไม่มีการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันเป็นก็มันอย่างไงมันก็เป็นก็มันอย่างนั้น จานั้นก็เป็นเวทนาดัางกล่าวมันก็เรียกไปตามประาสาทสัมผัสที่รู้อารมณ์ข้างนอกเย่ะเต็มที่ว่าจักขุสัมผัสจชาวเวทนาความสวยอารมณ์เพราจักรสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็นับเพียงเรื่อยไปตามจาังลื่นกายเนี่ยเป็นกายจะสัมผัสชาวเวทนาเป็นมโนสัมผัสจชาวเวทนาเป็นความสวยอารมณ์เพราะมโนสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัย ที่ใ้สิ่งที่เราเสวยเนี่ยมันลดจำจำทำไม่จำก็เรียกว่าสัญญาโบราณเนี่ยท่านแปลดีท่านแปลว่าจาได้หมายรู้ทั้งความลองสังเกตว่าบางทีความจำของเราเช่นว่าลูกขวาวแฝดเนี่ยมันลั้งจำได้หมายรู้จำได้บาคนนั้นเป็นคนนั้นมีจุดเด่นที่เราควรสังเกตกำหนดความแตกต่างคีว่าบวรเนี่ยมีพระสองรูป พี่น้องขวาแปดรูปน้องได้เพิ่งบวชผมพี่นําบวชมานานครับไม่จำไม่ได้ออกแต่พอท่านมาบวชอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสังเกตบ่อยๆเราจําได้ตอนนี้ดูดูข้างหลังก็จําได้แล้วแต่เมื่อก่อนไม่นนจาไม่ได้นั่นเป็นแสดงเราำจำจําได้ไหมรู้ต้องสังเกตรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะท่าทางนะคร อยาคุณแก้วกคุณขวัญเนี่ยวัชโรไทยเขาไม่ได้อยู่งวัวันเนี่ ย, ว ย, ย, ยวนเนยวลาเจอกันก็พูดคลุมๆไปอย่างนั้นเนองอ่ะพราเราไม่ได้เจอเขาสองครั้งซอนสือสองครั้งทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเราเจอแล้วก็นั่งใกล้แล้วเรา ม, มีข้อสังเกตเนี่ยเราไม่เคยเจอในลักษณะอย่างนั้นคุณแก้วก็บวชที่วัดก็ค่อนขัางคุณกันแต่เอาก็จริงก็จาไม่ได้ มันเ ร, เราต้องมีจําได้หมายรู้อยู่เยอะพอสมควรมีจุดสังเกตจุดแตกต่างจุดคล้ายครึงจุดแผลเพี้ยนอะไรแต่ไรเนี่ยพันสัญญาเนี่ยมันจึงเป็นอาการของปัญญาแต่ว่าปัญญาแบบก๊อปี้นะฮะคือแบบจำมาเลยถ้าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยบางทีก็งงแล้วมันเหมือนกับตอนเราเป็นเด็กที่เราจําหนังสือกอกไก่ขอไข่เนี่ย ถ้าเราสังเกตว่าเราจําตัวมันอ่ะเขียนขนาดไหนเราก็จําได้พมก็ย้ายตัวใหญ่ชัางงงอะพอตามตัวเล็กชัางงงอะ่ะพราะเราจำแบบสัญญาแต่ว่าเป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ความจําอย่างอางื่นมันจะเริ่มด้วหน่วยความจําซึ่งเป็นวัตถุ ด, ดิบ ท, ที่เก็บสะสมไว้แผยในจิตก่อนความสัญญามันเกิดตามกระบวนการของประสาทสัมสับ แล้วก็ต่อไปที่จริงก็มีสันเจตนานะฮะแต่ว่าหนนี่ไม่แสดงคือความจงใจนึกจงใจคิดจงใจทําจงใจพูดตามที่ตนจําไว้ไม่เป็นกระบวนการทางจิตทั้งหมดที่นี้ความดับของสัญญาเนี่ยคือสัญญาเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามันก็ดับอยู่สองแนวนะฮะคือแนวหนึ่งก็คือดับที่จริงน่าจะขยายเป็นสามแนว หมายความวาดับด้วยกันตายเป็นสมมติบุรณะเราก็ดับสัญญาดับสัญญาดับเวทนาประยะหนึ่งเมื่อไปถือกําเนิดในโพระชาติใหม่ก็เกิดสัญญาเวทนาขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับแบบนิพพานกระดับไปเลยหรือวันทีทั้งข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านดับสัญญาดับเวทนาเหมือนกันนิพพ า, านไปเลย แต่ว่าในที่นี้เราเอาเฉพาะดับตรงนี้ดับความปรุงคิดคิดปรุงถึงสัญญาเพราะสิ่งที่เราจํานั้นมีชอบมีชังเห็นไหมคนบางคนเรชอบบางคนเราชังบางคนเรเฉยเสิ่งบางสิ่งเราชอบบางสิ่งเราชังบางสิ่งเราเฉยเฉยมก็อย่างเงี้ยก็จําไว้ในจาในแนวโครงสร้างของเวทนานั่นแหละมันมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตสังขารด้วยกัน สัญญาเวิธนาเป็นสิ่งที่ผลป ล, อ ล, อ ล, อลื้จิตหล่อร้อนหล่อเลี้ยงจิตรักษาจิตดูแลกันดังนั้นก็อาการดำรงอยู่ของเขาก็ก็แบบเดียวกับเวทนาเวทนาชันอย่างใดสัญญาก็อย่างนั้นสัญญาอย่างใดก็เวทนาก็อย่างนั้นเี่ยในในในเรื่องเดียวกันเพราะว่าเวลาสัมผัสอารมณ์เนี่ยมันเกิดพร้อมกันทั้งสัญญาทั้งเวทนาเห็นคนปั้งเนี่ย เราดีใจเสียใจทันทีถามทําไมดีใจเพราะเราจาํ า, า, วาจ ค, วจความดีของเขาไว้แล้วเราเคยสวยสุขจากความดีของเขาทําไมเราไม่พอใจเพราะเราจําความไม่ดีของเขาไว้แล้วเราก็เสวยทุกข์เพราะการไม่ดีของเขาแต่วันนี้มันเกิ ด, ดเราเรก็ไม่สังเกตอนะครคือถ้าเราดูวิธีการที่พระเจ้าทรงแสดงสั่งสอนเนี่ย นัก บ, บวชนอกศาสนาบอกว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับไปอยู่ที่ปากทะเลนะฮะปากแม่น้ําที่จะออกทะเลสามารถจะแยกน้ําได้น้ํา น, นั้นมาจากนั้นน้ํานั้นมาจากนั้นน้ำนั้นมาจากนั้นเนี่สามารถแยกได้เพราะกันไปแยกสัญญาแยกเวทนาเนี่ยมันจะเรื่องง่ายๆนะฮะที่จริงยากๆฉันลองนั่งดูดูตัวเวทนาดูตัวสัญญาเนี่ยมันปนๆกันอยู่ ย, ยัง ท, ทีว่หน่วยหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่จําหน่วยหนึ่งทําหน้าที่เสวยอารมณ์เราะฉะนั้นอารมณ์ใดก็สวยอารมณ์นั้นสวยอารมณ์ใดก็จําอารมณ์นั้นเพราะฉะ น, นั้ น, ำ น, น, นทำยังไงจึงให้มีความรู้สึกต่อสัญญาในแงท่ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรหลายสาร ะ, ะเป็นพยักแบบดูใกล้ๆจะเป็นรูปแต่มันไม่เป็น มันเหมือนกัเรานั่งไปในรถเนี่ยนะเรามองถนนข้างหน้านี่มันมาเมืมแต่นั่งไปเทอะไม่ถึงอ่ไม่เคยเจอเลยถนนที่เป็นมันมามืมม่มเมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ว่าระยะห่างขนาดนั้นมันมองเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยภาพนั้นมันก็ถอยห่างออกไประยะเดิมพอเรามองไกลไปจริงๆมันก็ไม่มันมามืม่ม นั่นยี่สิบจุดหนึ่งนั่นแสดงว่าเป็นกระบวนการของธรรมชาติใครจะบัญญัติชื่อยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการของธรรมชาติไม่มีใครมาสร้างขึ้นนักสอน้มองสัญญาในแง่ของความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเช่นเดียวกันนะนะฮะเช่นเดียวกันกับข้ออื่นทีนี้ข้อต่อไปนี่คือพวกสังขาร คำว่าสังขารในขันห้ากับสังขารในที่ต่างหลายนี่ไม่ไม่เหมือนกันเช่นเมื่อเราเองเนี่ยเป็นสังขารเขาเรียกว่าอุปาทินอากาศสังขารสังขารที่มีใจครองก้อนอีกก้อนหินมันก็เป็นสังขารเป็นอนุปาทินอากาศสังขารสังขารไม่มีใจครองส่วนไม้ภูเขาก็เป็นสังขารเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองอคนสัตว์ก็เป็นสังขารด้วยสังขารที่มีใจครองเพราะในสังขารเนี่ยมันมันมันจะ หมายถึงอะไรก็ตามที่มาผสมกันอยู่อะเป็นจันทหน่วยย่อยเป็นถึงอนูเนี่ยอนูที่ย่อยออกมาเป็นอนุอกอันนันมากมายกายคลองหน่วยย่อยแต่ละหน่วยเนี่ยมันเป็นสังขารคือสิ่งที่ผสมกันเราลองสังเกตไม่ว่าอะไรดินสอปากกาอาหารเมื่อตัวของเรานี่ผสมกันทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นของเทิ้งแท้แน่นอนแต่ว่าสังขารในขันห้าเนี่ย มันเป็นการแยกประเภทออกมาคือแทนที่จะไปไปนับรวมเอาอย่างนั้นท่านไปแยกประเภทออกมาเป็นสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตทั้งสามประเภทนะฮะสามประเภทคือเพประเภทประเภทกลางกลางคือหมายความว่ามันเข้ากับจิตได้ทุกประเภทจิตดีก็ได้จิตไม่ดีก็ได้จิตที่เป็นกลางๆ ก, ก็ได้ อันนี้เขาเรียกว่าสํานวนทางอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวาจิตตสาทานะาเจตสิกรรคือเจตสิกรรที่ทั่วไปแก่จิตต้องปวงหมายความเกิดขึ้นแก่จิตที่เป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้กลางกลางก็ได้เช่นภาษะการกระทบะเวทนาเวทนานี่ มันก็คือเวทนาห้านะฮะสุขเวทนาทุกเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาเวกาเวทนาและสัญญาคือความจำเราจำทั้งดีทั้งไม่ดี เ, เจตนาคือความจงใจความตั้งใจความปักใจลงไปที่จะทำอย่างนั้นที่จะพูดอย่างนั้นที่จะคิดอย่างนั้นซึ่งอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นกลางๆก็ได้เอกคตาจิตนะจิตที่มีอารมณ์เป็นอย่างเดียว เป็นกลางๆก็ได้เป็นมิจฉาทิฐิก็ได้ให้ไปใช่เป็นมิจฉาสมาธิก็ได้ เ, เป็นส ม, มาตมาธิก็ได้ชีวิตอินซีอินรียคือทําให้ชีวิตเติมบ่งดุและมนุษยิการในการใส่ใจสนใจทุกสิ่งทัางหลายอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆก็ได้ทีนี้บางทีเป็นปกิณกะวิตกวิจารเนี่ยคืออาจจะคิดดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะอธิโมกข์การน้อมใจเชื่อสิ่งที่เราน้อมใจเชื่อลงไปเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีก็มีไม่ดีก็มีวิทยะความเพี้ยนไม่ถูกก็ได้ผิดก็ได้พิธีความเอิ้ออินใจนะส่วนใหญ่มักจะออกมาเรื่องดีแต่บางทีมันก็ออกมาในเรื่องไม่ดีฉันท่าความพอใจนะสิ่งที่เราพอใจนะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้หนึ่งอย่างก็เป็นพวกบาปพวกอกุศลทั้งหลายเช่นโมหะความหลงความไม่ละอายต่อบาปความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปความพุ่งสร้างความโลภทิฏฐินะพวกมานะโทสะ ความลิสยาความเจนีความพุ่งซ่านความม่วงงุนความเมามัวเมาความเครือบแคลงสงสัยหรือบางอย่างก็เป็นเป็นกุศลเช่นพวกศัตสัทธาความเชื่อสติความรึกได้หิริความร้ายต่อบาปอตปะวดงกลัวต่อบาปอโลภะความไม่โลภะโทสะความไม่ประทุษร้ายอโมะไอไอมัตตะตัตระมัชตาคือความที่เป็นกลางกลางนะฮะความที่เป็นกลางกาง แล้วก็บางอย่างก็เป็นปัสทธินะความสงบหรือราหุตาความเบาสลวยมุรุตาความอ่อนกรมมัญญาตาใช้การงานได้ปะกุญญาตาค่องแคล่วอุชุ ก, กตาความทรงความความงดเว้นความกรุณาความมุติตาความเมตตาสุเบขาปัญญาะอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเรียกว่าเจตสิก คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตให้เป็นอย่างที่เขาเป็นคล้ายๆกับสีนะฮะคล้ายๆกับสีคล้ายๆกระรสคล้ายๆกับกลิ่นทั้งหลายเนี่ยเพื่อลงไปในน้ําเนี่ยมันเปลี่ยนสีของน้ําให้เป็นอย่างที่มันเป็นเปลี่ยนกลิ่นของน้ําอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นเปลี่ยนรสของน้ําอย่างที่มันเป็นให้ให้เป็นอย่างที่มันเป็นมันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นอะไร คือตัวมันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตแต่เกิดขึ้นในจิตร่วมดับพร้อมกัจิตและมีอารมณ์อันเดียวกับจิตแต่นี้เราเรียกว่าสังขารเพราะถ้าถามมันสังขารมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาจากมันมีธาตุคือมีเชื้ออยู่ภายในใจเช่นสมมุติว่ากามธาตุเชื้อของความใคร่เนี่ยมันก็มีอยู่ภายในใจเรา ถ้าาใจเราไม่มีเชื้อกล้องความใคร่เราเห็นรูปฟังเสียงเดิมดมิเป็นต้น ม, ม, ม, ม, มันก็จะไม่ใคล่ายอ่ะเราสังเกตว่าไม่ใช่บรรูปทุกรูปเลยเราจะชอบเสียงเสียงเราชอบฟังมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีเชือ้อคือมีธาตุเหล่านั้นเยู่ภาในใจเราเราจึงชอบเราจึงพอใจเราจึงใส่ใจที่จะความปีนวดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย มันเกิดขึ้นจากเรามีเชื้อเช่นมมติว่าเรามีเชื้อกามอยู่ภายในใจก็เรียกว่าการมาท่าคือเชื้อก้องความใครมีการมสัญญาจิตกําหนดว่าสิ่งนี้น่าใคร่มีการมาฉันท่มีความพอใจในสิ่งนั้นด้วยมากของความใคร่แล้วก็มีความดาริถึงเรียกว่าการมาสังกปะคือดําริไปด้วยความใคร่ถึงสิ่งที่เราใคร่นะฮะดาริไปด้วยความใคร แล้วในสู่ก็เล่าร้อนด้วยแรงปรารถนาเพื่อจะให้เกิดเกิด ก, การตอบสนองความต้องการของตนเรียกวกับกามปริลาหะเสร็จแล้วก็มีกาะปรีเอวกามาตัญหาคือกระตุ้นให้เกิดความอยากพร อ, อยากมันก็คุมความอยากไว้ไม่อยู่มันก็แสวงหาแสวงหาก็ต่อสู้ขัดขวางะจญอุปสรรคอันตรายอะไ ร, ต, รต่างๆกันเีอมากแล้ถึงจุดหนึ่งไปจะได้มาครอบครอง พอได้มาก็ยึดถือปผกใจความใจนั่นของเราของเราของเราของเราของเราเรื่องมันกิเลสเรื่องกิเลสทั้งบวกทั้งลบต้งเกิดขึ้นมามากมายไกลกองนะฮะอีกเป็นนั้นมากซึ่งการโดยสรุปอาจจะรู้สึกว่ามันเกิดรู้สึกว่าเป็นของเรารู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ยพวกเรานี้ก็จะเกิดขึ้นทีนี้วิญญาณเนี่ยก็สอนเช่นเดียวกันนะอิติวิญญาณนางอย่างนี้วิญญาณ อิติวิ ญ, ญญาณัสสะสมุทยโยอย่างนี้ความเกิดขึ้นของวิญญาณอิติวิญญาณัสสะสมัททังบูอันนี้ความดับของวิญญาณก็วิญญาณเนี่ยแปลว่าความรู้แจ้งหรือความรู้วิเศษเป็นวิถิวิญญาณคือเรารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพทางตาอูจมุมนิกายแล้วก็ส่งกระสู่มโนวิญญาณเลยครับส่งกระสูนใจ เพราะวิญญาณสถาบันวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงวิญญาณนั้นมันมีหลายแห่งเนะถ้าปฏิทนที่วิญญาณก็เกิดขึ้นมาจากอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารดังขันปัจจัยก็เกิดเป็นปฏิสธิวิญญาขึ้นมาถ้าเป็นวิญญาณขันก็คือกองของวิญญาณดังกล่าวที่ทําหน้าที่รู้รูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภมรมที่ผ่านมา ก็เป็นแตู่่วิญญาณรูตาวิญญาณขานวิญญาณเทววิญญาณเป น, นี้การดับของวิญญาณนะฮะก็คือการด no ับของจิตที itor, ่ไม <c> ่ปรุงคิดคิดปรุงกลายเป็นเห็นก็สักแตวะเห็นได้ยินก็สักแต่วะยินได้กลิ่นก็สักเตวะกลิ่นลิ้มรสก็สักเตวะลิ้มรสถูกต้องหยุดนอนแข็งก็สักเตวะถูกต้องหยุดนอนแข็งรู้ธรรมารุมโดยใจก็สักเตวะรู้ธรรมารมมโดยใจ ไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงไม่เกิดกำนัดเพื่อเพลินเย็นจุมยุดดีหรือไม่อย่างนั้นก็สักไปรูปสักไปว่าเสียงสักไปว่ากลิ่นสักไปว่ารสสักไปว่าเย็นร้อนนอนแข็งสักไปว่าธรรมารมจิตมันก็ไม่ปรุงต่อก็ทําให้ดับพวกวิญญาณเหล่านี้ลงไปได้แต่วิญญาณที่ดับโดยไม่กําำรอบอีกเลยเนี่ยฮะมันต้องนน้นแหละอวิชชาดับสังขารดับสังขารดั บ, ดบวิญญาณดับมันลงไปนน้นเลย สมุนมันก็ไกลเกินไปนะไกลกับกำลังที่จะพูดถึงโดยหลักการในการมองเนี่ยสอนโซในมองให้เห็นว่าพวกนี้ตกอยู่ในกฎของใจรักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกเปนหน้าตาที่เรียกว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นมาสเป็นเป็น เ, นเนครื่องมือในการวัดว่าที่ว่าไม่เที่ยงเนี่ยที่เวทนาที่สัญญาที่ที่รูปเวทนาต ญ, ญาติาการมียาไม่เที่ยงเนี่ยเพราะว่า มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปเป็นการตั้งอยู่ได้ชั่วขณะขณะขณะมีความแปรเปลี่ยนแปลง อ, อ, อ, อ, อยู่ตลอดแล้วก็จรงันข้ามกับไอ้สิ่งที่ทิ้งแท้แน่นอนที่เราคิดว่ามันทิ้งแพ้แน่นอนอะ่ะที่จริงมันไม่มีไอ้สิ่งที่ท้แพ้แน่นอนถ้ามีก็ไม่มีตัวตนในทิ้งแท้นแน่นอนคือนิพพานเนี่ยเป็นของเที่ยง อันนี้ผ่านไม่มีตัวตนให้ไปเที่ยงนะฮะและที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วก็ถูกแผดเผามีความเลวร้อนด้วยอาการต่างๆแล้วก็เป็นหน้าตาหรือไม่ใช่ตัวชตนไม่มีตัวมีตนไม่เป็นตัวเป็นตน ก็เลยเพราะว่าหนึ่งเราบังคับบัญชาสั่งการให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้สองตรงมันข้ามกับภาวะความคิดเรื่องอัตราตัวๆๆตนทั้งหลายแล้วก็สามแยกแยกย่อยไปแล้วในปัญหาตัวตนอะไรทวรยงังยีบไม่ได้มันสักไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิน่ง น, นั้นมาเกาะกลุ่มกันเป็นนูเล็กๆนะฮะพอย่อยออกไปก็เป็นปรมนณูหายไปเลย แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆคนมีความรู้สึกว่านั้นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราออกก็จริงมันไม่มีอะไรเป็นเอาจริงๆแม้ตัวเรายังไม่เป็นของเราเลยนึกดูร่างกายเราเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะนี่คือพูดจากนรู้เรื่องเลยสั่งอะไรก็ไม่เอาทําอะไรก็ไม่ได้เราก็ต้องคิดเองต้องทำเองนะ ก็ยืมเขายืมเครื่องมือเขใช้ซึ่งในที่สุดเนี่ยเราก็เอาเขาไว้ไม่อยู่เขาเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเกิดดับเนี่ยดำวงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าต้องการให้มองขันห้าตามกฎของประไตลักษณ์อย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ในนัตตลักนณสสูตร คือมองเห็นว่าคาน่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีไปนี่ก็ดีอยู่ใกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีคาน่าเหล่านั้นเรา่าจริงมันก็สอนไปว่าคัน่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคาน่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นตวัวเป็นตนของเราจริงๆเราต้องสองในให้ด้วยปัญญาญชอบมาความจริงแห่งโลกแห่งชีวิตแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้ลุ่งพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เรา ทุกฟัามทลายแต่รุ่งมโพธยาเนี่ยวันนี้ขอยติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่อ ง, งามไปบูรในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี